50 languages. e i h u k a l a n a k o h a n l e ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วนานูกาด ร, รากดำ เ, เนินหนูพูดที่อีวดเดนเข้าใจอรตตาหมาดิคลูกุดดิฉันเข้าใจแล้วนนูอรตามาดีคนดิดเดเนดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว น้าหนูพูดที่อ่างีอารถามาดีคุณดิเดเน่ตอบคุตอบคดวุดูดิฉันตอบแล้วน้าหนูคำตอบคดีเดเน่ดิฉันตอบคำถามทั้งหมดแล้วน้าหนูยิ่ล่าปัญญนื้อไกลกูคำตอบคดีเดเน่ ดิฉันทราบแล้วดิฉันได้ทราบแล้วอดูนัน agate ีดเดอดูนั agate ตรีดิตุดิฉันเขียนดิฉันได้เขียนแล้วนานูอดันโนบรยุตเตเนนานูอดันโนบรดีเดดิฉันได้ยินดิฉันเคยได้ยินแล้ว นานูอันดอนโน่เกิดุเตเน่นานูอันดอนโน่เกิดิเด่ดิฉันกำลังไปรับดิฉันได้ไปรับแล้วนานูอันดอนโน่ตระ d ิดตระกุดบารุดเตเน่นานูอันดอนโน่ตระกิดตระกุดบัดิเดน่ดิฉันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้วนานูอันดอนโน่ตารุดเตน นานูอันดอนโน่ทันดิดเดนีดิฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้วนานูอันดอนโน e คดุเตนีนานูอันดอนโนคุนดคุนดิดเดนีดิฉันคาดไว้ว่าดิฉันได้คาดไวแล้วว่านานูอัดอนโนนิริสุเตนนานูอัดอนโนนิริสิเด ดิฉันอธิบายดิฉันได้อธิบายแล้วนาหนูอดัณ น, นูวิวาิสุเต เ, เนนาหนูอดัณ น, นูวิวาสิดเดดิฉันรู้ดิฉันรู้แล้วอดูนันเกกตุตตุอดูนันเกกุตติตุ